เผลอๆจะกลายเป็นคนบาปที่ถูกสาปส่งเอาง่ายๆเพราะคิดปฏิบัติธรรมที่ไรใจไ่ตัดพราะพระธรรมอยู่เรื่อยว่าไม่เห็นช่วยเราเลยทำให้ยิ่งทุกข์หนักเป็นคูณสองคูณสเข้านั่นพยายามหาหนังสือธรรมะดีๆมาอ่านพยายามกลับไปทบทวนสิ่งที่บันทึกไว้ในสมุดพกตั้งแต่เริ่มเจริญสติจริงจัง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 ก็ถูกทุกขเมือบหมดตัวไปแทน